นิทานเรื่องหงส์ทอง มีนับว่าโชคดีมากหนึ่งเป็นครอบครัวของคน ภยาหงทองเกิดเป็นผู้นําของครอบครัว จากนั้นก็เกิดเป็นพญาหงส์ทองมีร่าง เราจุติจากโลกไหนน้อจึงมาเกิดเป็นหงส์ทอง ลูกต้องรับจ้างคนอื่นเขาหาเลี้ยงชีวิตเมียเราลําบากมากนี่ ครั้นคิดได้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบิน ถามพญาหงส์ทองว่า "พ่อ บินมาจากไหน จ๊ะ" "บิน มาจาก เจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกินม่าน ภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบมองดูพญา เราตายแล้วไปอือเราสบายดีเราเองก็เป็นหงส์นะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะมาหาบ่อยๆงี้ก็แล้วกันเราจะ ก็หลังจากวันนั้นขนทองคํานั้นไป อยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหง ตะกใบเพราะฉะนั้นเวลาที่พ่อเจ้ามามาพวกเราก็จะยากจนลง ใจของนางก็ยังคิดที่จะทําชนัน นางก็ได้รวบตัวพญาหงส์ทองไว้ ไม่เป็นขนทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้ขนขนทองของพยาหงนั้นคําอย่างก็จะกลายเป็นขนธรรมดานั่นเองก่อนครั้งนี้ คอยเอาข้าวเอาน้ําป้อนให้กินจน ฐานะของครอบครัวก็เริ่มยาก ถือและมีผลทําให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ในภายหลังความอยากแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุด